จเจริพรท่านผู้มีจิตเมตตากรรณาใจบุญใจคุศลทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมารันเพื่อมาสร้างที่พึ่ง ได้แก่จิตใจด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าและตามพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีพลังอย่างยิ่งใหญ่ที่สามารถอยู่เหนือ ความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆได้พวกเราตอนนี้ยังอยู่ภายใต้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเพราะเรายังขาดที่พึ่งทางใจเราจึงต้องพยายามเข้าหาที่พึ่งทางใจบ่อยๆเหมือนกับรถยนต์ที่ต้องคอยเข้าสถานีบริการบ่อยๆ เพื่อเติมน้ำมันเพราะถ้ารถยนต์ไม่มีน้ำมันรถยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจของเราไม่มีพลังจิตไม่มีพลังใจเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตของเราไปได้อย่างนอมเย็นเป็นสุขปราศจาก ความทุกความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นเราจึงต้องเข้ามาที่วัดเพื่อเราจะได้เติมพลังให้แก่จิตใจตามทึ่งให้แก่จิตใจด้วยการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นหัวใจของพลังใจของเราถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราจะมีพลังเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเราจะอยู่เหนือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้วิธีที่เราจะเข้าหาหรือ ว, ว่า น้อมเอาพระพุธพระธรรมพระสงฆ์เท่าสู่ในใจเราก็าเหมือนกับเวลาที่เราไปเติมน้ํามันรถเวลาเราไปสถานีบริการเราก็ต้องเอาสายที่ต่อออกมาจากปั๊มแล้วก็ใส่เข้าไปในรถในถังแล้วก็ปั๊มน้ํามันให้เข้าไปในรถ น้ำมันถึงจะเข้าไปอยู่ในถังได้ถ้าน้ำมันยังอยู่ที่ปั๊มอยู่ยังไม่ได้ถูกสูบเข้าไปไวในรถยนต์น้ำมันนั้นก็ยังจะไม่เป็นประโยชน์กับรถยนต์แต่อย่างใดฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่เป็นผู้เป็นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี้ก็ยังจะไม่ได้เป็นที่พึ่งของเรา ยังจะไม่ได้ให้พลังแก่จิตใจของเราถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่ภายนอกอยู่เราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกนี้เข้ามาสู่ภายในใจของเราด้วยการศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ศึกษาพระธรรมคําสอนของท่านเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้มีแนวทางมีแบบฉบับมีตัวอย่างอันดีอันประเสริฐที่เราจะได้น้อมนําเอามาเป็นแบบฉบับให้แก่การดำเนินชีวิตของพวกเรา พอเราปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาลัยตาสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันน้อมเอาคําสอนของท่านมาปฏิบัติเราก็จะได้มีที่พึ่งปรากฏขึ้นมาทางใจเราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ภายในใจเราให้ได้เราถึงจะมีที่พึ่งได้ มีพลังได้ถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่ข้างนอกอยู่ยังไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเหมือนกับน้ำมันที่อยู่ในสถานีบริการจะไม่เป็นประโยชน์ต่อรถยนต์จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราได้ถ่ายน้ามันจากสถานีบริการเข้าไปสู่ในถังน้ำมันรถยนต์เท่านั้นฉันใด ใจของเราจะมีพลังมีความกล้าหาญมีความอดทนมีควา ม, ขมแข็มแข็ง ม, ม, มีความรู้มีความฉลาดก็ต้องเติมพระพุทธธรรมพระสมฆเข้ามาสู่ภายในใจของเราการที่เราได้มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชานี้ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งของเรา การที่เรามีหนังสือธรรมะไว้อ่านอันนี้ก็ยังไม่เป็นที่พึ่งของเราการที่เรามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคอยอบรมสั่งสอนเราก็ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราเป็นยังเป็นที่พึ่งที่อยู่ภายนอกอยู่ยังเป็นพลังที่อยู่ภายนอกถ้าเราต้องการให้พลังของพระพุทธพระธรรมพระสง์ เข้าสู่ภายในใจของเราเราก็ต้องน้อมนำเอามาปฏิบัติตามที่ท่านได้ปฏิบัติตามที่ท่านได้สั่งสอนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติด้วยการเสียสละจาคด้วยทานด้วยการแบ่งปันแล้วท่านก็ ปิบัติตนให้อยู่ในความสงบกายวาจาคือจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นสงบด้วยสีนไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายามามาไม่สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น ทำเพื่อเหตุผลกลนการใดก็ตามถือว่าไม่ควรจะทำทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะรักษาทรัพย์ของเรารักษาอวัยวะของเรารักษาชีวิตของเราเราก็ไม่ควรทำถ้าเราอยากจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราหยังที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้เราสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้คงอยู่ไว้ในใจของเรานี้เองไม่ได้ให้เราสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีพเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เพื่อให้คนนั้นได้เป็นนายกเพื่อให้คนนี้ ได้เป็นรัฐมนตรีเพื่อให้คนนั้นคนนี้เป็นพระมหากษัตริย์มหาจักรพรรดิอันนี้ไม่ใช่เป็นการสละตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละพระพุทธเจ้าทรงสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ตอนที่พระองค์ทรงอดพระกายาหาร ถึง49วันอดก็เพื่อที่จะได้บรรลุธรรมได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในใจไม่ใช่อย่างพระในวันนี้ที่อดข้าวเพื่อจะขับไล่เพื่อจะเปลี่ยนนายกคนใหม่อันนี้ไม่ได้เดินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ดำเนิน เพราะว่าไม่เคยศึกษาพระประวัติอันดีงามของพระพุทธเจ้านั่นเองก็เลยปฏิบัติตนนอกรูนอกทางของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะอดข้าวก็ต้องอดเพื่อฆ่ากิเลสให้มันตายไม่ใช่อดเพื่อที่จะสนับสนุนกิเลสตัณหาให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้น ด้วยการได้สิ่งที่ตนเองอยากได้การอดข้าวของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระปฏิบัติทั้งหลายก็ดีท่านอดเพื่อที่จะฆ่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของท่านให้มันตายไปให้หมดไปท่านไม่ได้อดเพื่อสนับสนุนกิเลสตัณหาความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันมีพลังมากขึ้นไป กิเลสตัณหามีพลังมากขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจมากขึ้นไปเท่านั้นกิเลสตัณหาถูกทําลายลงไปได้มากน้อยเท่าไหร่<ม>ก็จะสร้างพลังให้แก่ใจสร้างความสุขให้แก่ใจมากขึ้นไปเท่านั้น<ม>นี่เป็นปัญหาของชาวพุทธเราทุกวันนี้พวกเราไม่ได้ไไดศึกษา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การอย่างลึกซึ่งเราจึงไม่รู้ว่าการที่พระพุทธเจ้านั้นสรงอดปกายาหารหรือสรงตั้งสัจจากอธิษฐานเวลาที่นั่งอยู่ใต้คนต้นโพว่าจะไม่ลุกจากที่นี้ไปเป็นอันขาดถ้ายังไม่ได้ตัดสรุถ้ายังไม่ได้พระพุทธ ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านยอมสละชีพเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดให้แก่จิตใจของเราได้เราก็จะเสียเวลาเสีย สิ่งที่มีคุณค่าเช่นชีวิตของเราเพื่อให้เพื่อไปสละให้กับสิ่งที่ไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจเช่นเพื่อลาบยศเพื่อสรรเสริญเพื่อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นเราให้เราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไร ท่านสละทรัพย์เสด็จออกจากพระราชวันแล้วก็สละอวัยวะยอมอดพยากรอาหารถึง4ี่วันแล้วก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานยอมตายถ้าไม่ได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาการเสียสละอันยิ่งใหญ่เหล่านี้นี่เองที่ได้ทำให้พระพุทธเจ้า ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในพระไทยของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงนําเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่ในพระไทยของพระองค์ออกมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สรรโลกอย่างพวกเราพอ สัตว์โลกที่มีศรัทธาความเชื่อน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็ได้นับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาภายในใจทันที <Yeah. S 1> นี่คือการเติมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสู่ในใจของเราด้วยการเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นแม่แบบ พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่เรายังไม่จําเป็นที่จะต้องกระทําแบบเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทํามาขอให้เราเริ่มจากจุดที่เราทําได้ก่อนอย่างวันนี้พวกเราก็มาสละทรัพย์กันมาสละเวลาที่จะให้เราได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ เรามาสละเพื่อเราจะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาภายในใจถ้าเราอยากจะให้ได้ผลมากขึ้นจนถึงผลเต็มร้อยเราก็ต้องเพิ่มการเสียสละเพิ่มการแบ่งปันให้มากขึ้นไปตามลำดับตอนนี้เราอาจจะแบ่งปันเสียสละประมาณร้อยละสิบ ของทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ต่อไปเราก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเพิ่มขึ้นไปมากเท่าไหร่ใจก็จะมีพลังมากขึ้นไปเท่านั้นใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นจะทำให้เห็นว่าทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่นี้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เลยก็จะทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะสามารถสละทรัพย์ได้ทั้งหมดเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดามีอะไรก็จะสละหมดอย่างที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงสละแล้วก็ออกมาบำเพ็ญรักษาศีลให้ได้ครบท่วนบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นศีลแปดก็ดีศีลสิบก็ดีศีลริ็ดก็ดีรักษาให้เต็มที่แล้วก็มาบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบใจสงบแล้วพอใจออกจากความสงบก็ ให้ใช้ปัญญารักษาความสงบให้คงอยู่ต่อไปด้วยการพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายที่ใจมาสัมผัสรับรู้ว่าเป็นอนิจจันทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถควบคุม บ, บังคับสั่งให้เป็นไปตาางความต้องการของเราได้ ถ้าบำเพ็ญอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาตามลําดับจนในที่สุดก็จะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มดวงการที่เราปฏิบัติแล้วเราได้ผลจากการปฏิบัตินี้เรียกว่าเป็นการมีดวงตาเห็นธรรมการปฏิบัติ พอเราเห็นธรรมขั้นที่ขั้นที่หนึ่งเราก็จะเห็นพระพุทธพระอริยสงฆ์ขั้นที่หนึ่งพร้อมๆกันไปเช่นเราจะเห็นอะไรทึ้งนี้เรียกว่าเห็นธรรมก็ให้เห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราความอยากของเราถ้าอยากจะให้มันหายไป เพื่อที่จะได้ไม่ให้มีความทุกข์ภายในใจเราก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดเช่นร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายของนี้เป็นของพ่อของแม่ ที่เราได้รับมาเป็นของขวัญแต่ร่างกายของเรานี้ก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายจากเราไปถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะหยุดความอยากที่ไม่ให้ร่างกายตายได้พอเราหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายตายได้ ความทุกข์ใจก็จะไม่มีเกี่ยวกับความตายของร่างกายร่างกายจะตายเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเรารู้ความจริงแล้วเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายนี้มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีความแก่ย่อมมีความเจ็บย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาอพอเราเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไนดะ้พอเราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือการเห็นธรรมขั้นที่หนึ่ง เห็นอย่างนี้พอเราเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นธรรมก็คือผู้ที่เห็นตถาคตนั่นเองคือเห็นใจที่มีธรรมะครอบครอง น, นี้เองใจของพวกเราตอนนี้ยังไม่มีธรรมะครอบครอง เราเลยไม่รู้ว่าใจของพอพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพอเรามีธรรมะมาเป็นผู้ครอบครองจิตใจของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าใจของเรากับใจของพอพระพุทธเจ้านี้เหมือนกันเราเป็นเหมือนฝาแฝดพพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรใจของพพระ ของเราก็เป็นอย่างนั้นผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือสุปฏิปันโนอุชุยาญาสามีจิปฏิปันโนก็คือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นการปฏิบัติจนเรา มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็จะทำให้เราได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเราแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยา ของบุตรทิดาจะไม่ทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจเลยนับภะษาอะไรกับของภายนอกของร่างกายเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนหรือประเทศชาติ <c oughs> เราจะไม่หวั่นไหวถ้าว่าเราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้ไป เพราะว่าเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่เขาจะจากเราไปเราไปยับยั้งเขาไม่ได้หรือเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจากเขาไปเราก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไปทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไปทิ้ง่าสนิทมินิสายไป ทิ้งประเทศชาตินี้ไปเราไม่ได้อยู่ในประเทศนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกไปทำให้เรื่องวุ่นวายไปสู้ตั้งอยู่ในความสงบกันดีกว่าอย่างน้อยเราก็จะได้อยู่อย่างสงบในขณะที่เราอยู่ดีกว่ามาต่อสู้กันเพื่อมารักษาแผ่นดินที่เป็นของทุกๆคนกัน พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราชนะตนอย่าไปชนะผู้เพราะว่าการชนะผู้ น, นี้จะไม่มีวันที่จะถึงสันติสุขได้จะไม่มีการยุติเพราะถ้าว่าถ้าเราแพ้เขาเราก็จะอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมถ้าเขาแพ้เราเขาก็จะอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ก็จะสู้กันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆกลับมาเกิดอีกกี่ครั้งก็จะมาเจอเรื่องราวอย่างนี้เหมือนเดิมอยู่เพราะเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดมาตั้งแต่เราเกิดแล้วมันมีมาก่อนที่เราเกิดมันมีอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และมันก็จะมีต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วแล้วผลที่เราได้รับคืออะไรก็คือความวุ่นวายใจ ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆทั้งกับตัวเราเองทั้งกับผู้อื่นถ้าพวกเราไม่รู้จักคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารดังนั้นถ้าเราอยากจะให้บ้านเมืองของเราสงบอยากจะให้จิตใจของเราสงบขอให้เรายอมสละปล่อยให้เป็นของผู้อื่นไป ใครอยากจะได้อะไรก็ปล่อยเขาไปสิ่งที่เขาได้ไปนี้สู้สิ่งที่เราได้ไม่ได้สิ่งที่เราได้จากการเสียสละคืออะไ ร, ะไรก็คือเราได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราได้สาระที่พึ่งทางใจเราได้ความสงบเราได้ความสุขทั้งๆ ท, ท, ที่เราอยู่เหมือนขอทาน แต่เรากับมีความสุขยิ่งกว่าพวกมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแสนล้านเพราะเขาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเขาเขามีแต่กิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่จะผลิตความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างไม่มีวันหมดสิ้นนี่เราต้องมองนิจุดนี้เราถึงจะเข้าใจความหมายว่า แพ้เป็นพระชนะเป็นมาอย่างไรพวกชนะเขาได้อะไรไปเขาได้ความทุกข์ไปเขาได้กิเลสตัณหาไปกิเลสตัณหามีมากภายในใจเท่าไหร่ก็จะมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นส่วนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เขาได้ไปนั้นไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเขาได้แต่คนที่แพ้นี้ได้อะไร ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ที่พึ่งทางใจได้ความสงบสุดในนัตติสันติป ร, รังสุขขังได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้นี่แหละคือผู้ชนะที่แท้จริงก็คือผู้ที่แพ้เป็นพระนั่นเองส่วนผู้ที่แพ้ผู้แพ้ที่แท้จริงก็คือผู้ที่ชนะเป็นมานี้เองดังนั้น ขอให้เรามาเป็นผู้ชนะที่แท้จริงกันดีกว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงด้วยการยอมหยุดแล้วก็เย็นยอมคือใครอยากได้อะไรเอาไปเลยเราจะหยุดต่อต้านแล้วพอเรายอมเราหยุดแล้วใจเราก็จะเย็นไม่เชื่อลองทับดูวิธีนี้หละเป็นวิธีที่ประเสรฐที่สุด สำหรับจิตใจของพวกเราเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขกับจิตใจของเราได้นอกจากความยอมหยุดเย็นนี่เองถ้าเรายอมเป็นหยุดเป็นเย็นเป็นใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะมีปรมังสุขขังอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นพระ ท่านจึงเป็นผู้แพ้ท่านไม่ใช่มาท่านจึงไม่ใช่เป็นผู้ชนะแต่การแพ้ของท่านนี้ทำให้ท่านได้สิ่งที่ผู้ชนะไม่สามารถที่จะเอาได้ก็คือสันติสุขปรมังสุขขังนี้เองส่วนผู้ที่ชนะได้อะไรไปก็ได้ปรมังทุกขังไปมีเงินแสนล้าน ลานลานนี้จะต้องทําอะไรก็ต้องกลายเป็นยามคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นปู่โสเฝ้าทรัพย์มีทรัพย์แล้วก็ต้องหวงทรัพย์แล้วก็ต้องโลภอยากได้มากขึ้นไปแล้วก็ต้องเสียอกเสียใจเวลาที่จะต้องตายจากทรัพย์เหล่านั้นไปตายไปก็อาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตน เพราะว่าคิดถึงซับอยากได้กลับมาหาทรัพย์ของตน ร, รัพย์ฝังไว้ในดินก็จะกลับมาเกิดเป็นสุนัขแล้วก็จะไปขุดคุยทรัพย์ที่ตนได้ฝังไว้ในดินแต่ก็จะไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์เหล่านั้นได้เพราะเป็นสุนัขนี้ไม่มีขาบจำเป็นต้องใช้ทรัพย์ขอให้มีข้าวกินไปวันละมื้อก็อยู่ได้แล้ว นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราทุกคนที่จะต้องตายจากโลกดีไปและขณะที่เราอยู่นี้เราจะอยู่แบบไหนกันดีเราอยู่แบบพระดีหรือเราจะอยู่แบบมารดีถ้าเราอยู่แบบพระเราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้กระทํากันถ้าเราอยากจะอยู่แบบมาร เราก็ทำแบบมาก็คืออยู่แบบโลกโมโทสันอยู่แบบอยากได้มากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มจากพอแล้วก็ไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีใดก็จะหามาถ้าจะทำบาปก็จะหามาพอตายไปแล้วทีนี้มันก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมไปเกิดในอบายต่อไป แต่พวกที่เขามีความโลภโมโทสารนี้เขาจะไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาคิดว่าเป็นเรื่องหลอกกันพวกนี้จึงมักจะไปตกนรกกันเพราะไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองส่วนพวกที่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยอมอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบคนยากจนแต่รักษา ศีลไว้ได้ไม่ทำบาปทำกรรมอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขตายไปก็ได้ไปสวรรค์ไปพระนิพพานกันนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรามาศึกษากันในวันนี้ขอให้ท่านนำเอาเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปปฏิบัติเถิดแล้วผลอันดีอันเลิศต่าง จะตามมาต่อไปทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วขณะมีชีวิตอยู่เราก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเวลาตายไปเราก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสูม่มรรคผลนิพพานชั้นต่างๆตามลาดับต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยแลกบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็วแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ